พระองค์พูดถึงพระเจ้าพารณาณสีเนี่ยก็ทรงเห็นบรรณาศาลาที่พระประเจกับพุทธเจ้าองค์ก่อนอยู่ในป่าก็เลยประทับ พ, พ, พร้อมกับพระราชโอรสครั้งนั้นพระกุมารเนี่ยเคยชินแต่ในที่บรรทมอันประเสริฐเป็นต้นมีคนดูแลเรียบร้อยหมดอนะแต่เมื่อบรรทมในที่ลาดด้วยหญ้าหรือบนพระแท่นที่ถักด้วยเชือกหรือว่าเตียงที่ถักด้วยเชือกเนี่ยนะถูกความหนาวและลมเป็นต้นกระทบก็ร้องให้ โทษว่าหนาวเสด็จพ่อเดี๋ยวก็ น, นาวเดี๋ยวก็ร้อ น, อนเสด็จพ่อแมลงวันตอมพ่อบอกหิวแล้วพ่อว่าไงกระหายพ่อกระหิวก็หิวข้าวกระหายกระหายน้ําอยากกินอยากดื่มแล้วพ่อว่าไงพระราชาก็คอยปลอบโยนอยู่นั่นแหละวันคืนผ่านไปรุ่งราตรีแม้กลางวันก็ต้องเสด็จไปเที่ยว บ, บินทบทัตนําพัดมามอบให้กุมาร น, นั้นพัดนั้นเคยอยู่พระราชวังก็มีแต่ของดีๆอร่อยเนี่ยนะ เน่ก็ไปบินทบาทก็ได้พัดอาหารที่คละกันมามีแต่ข้าวฟ่างมีแต่ข้าวฟ่างลูกเดือยแกงถั่วเป็นต้นนะ่ะพระกุมารก็หิวก็สเสวยพัดแมรนั้นด้วยอํานาจความหิวต่อการไม่นานนะักก็พร้อมเนี่ยนะก็เคยสเสวยแต่อาหารดีๆไม่กินเีา่าว่าข้าวก็คือพวกลูกเดือยข้าวฟ่างกับแกงถั่วนี่นะแกงถั่วก็เอาถั่วมาต้มนั่นแหละแล้วใส่เครื่องเทศนิดหน่อย เข้าไปเนี่ยไงเฮเคยชันแล้วมีครั้งหนึ่งไปถึงพาราณสีเกือบเพลนพอดีเลยนั่งรถไฟมาตั้งกั่ตี3ามตีสี่มาถึงพาราณสีคอมเน่ก็ลงรถลงรถไฟมาก็ไปกับแขกกับเฟิร์สเนี่ยคนหนึ่งพอไปถึงก็ออกจากก็ไปขึ้นในรถรถแค่รถโดยสารรถมารถเช่าอ่ะนะแค่รถซุ้มอะไรนะสี่ล้อสล้อแบบโดยสารเล็กๆอ่ะ ก็ไปนี่พอไประหว่างทางเออมันจะฉันเพลนแเนี่ยมันจะหมดเวลาเพลนก็มองหาร้านอาหารก็ไปเจอร้านเนี่ยร้านขายข้าวขายโรตีขายเนี่ยแล้วก็มีแกงถั่วนะแกงถั่วเหลืองสีเหลืองโอ๊ยนั่นน่ะร้านราดข้าวราดแกงถั่วบอกว่าแล้วก็เลยบอกโอ้ไม่เอาอารมณ์จะปฏีกันแล้วกันมาปฏีจิมแกงถั่วนั่นน่ะ ก็อร่อยดีเงมืนนเลยดีตชาติเคยเป็นแข็งมากวกันชันได้แต่นี้ถ้าหากว่าคนที่เคยแต่แบบประณนีดประณนีดเคยทานแต่อาหารอร่อยร่อยแหมมาเจออาหารชนิดนี้เข้าไปนี่แหมมันพร้อมเลยแหละเหมือนดอกบัวดอกประทุมที่วางไว้ในที่ร้อนฉะนั้นถอนดอกบัวมาตากแดดเนี่ยนะมันก็ค่อยเช้าไปเช้าไปพระราชกุมาร น, นี่ก็เหมือนกันพอเสเวยอาหารที่ไม่ค่อยดีกพ็พร้อมลงพร้อมลง ส่วนพระประเจกโพธิสัตว์เนี่ยนะคือผู้เป็นพ่อไม่แสดงอาการผิดปกติเลยสเสริยด้วยกําลังแห่งการพิจารณาพิจารณาก็คือพิจารณาว่าที่มาบวชนี้เพราะไม่ใช่ไม่มีช่องทางทำมาหากินไม่ใช่ไรญ า, าดขาดมิดไม่ใช่กําพระอนาถาอ่านะไม่ใช่บวชเพื่อ น, นี้นี่นี้ภาระการรับผิดชอบไม่ใช่อย่างอื่นเลยแต่บวช ด, ด้วยศรัทธา มีใจน้อมไปที่จะออกจากวัตฏะจะมายุ่งมาติดอะไรกับอาหารแค่นี้แล้วว่างั้นนะถ้ายังติดในอาหารก็เท่ากับติดในปัทวีธาตถ้าติดในปัทวีธาตแล้วจะพ้นไปจากปัทวีธาตได้อย่างไรติดในอาหารก็เท่ากับติดในธาตุสีถ้าเรายังติดในธาตุสีแล้วจะออกจากธาตุสีเป็นต้นได้อย่างไรก็มีการ พิจารณาโดยะนะว่าที่บริโภค ก, ก็ไม่ใช่เพื่อจะเล่นเพื่อจะโมเมาไม่ใช่เพื่อจะอยู่ด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่ บ, บวชเข้ามาเพื่อที่จะบำรุงผิวพรรณรูปร่างวันนะให้เป็นความงดงามอะไรเป็นต้นะนะที่บริโภค ก, ก็ไม่ได้บริโภคเพื่อจะเอาเรี่ยวเอาแรงไปทํามาค้าขายอะไรที่ไหนรอกรอนะก็เพียงว่าให้ชีวิตเป็นไปได้จะได้ประพฤติพรหมจรรย์จะได้อนุเคราะห์สมถะและวิปัสสนาต่อไปหลังจากที่พระองค์ พิจารณาพราะองค์ก็ไม่มีความผิดปกติอะไรถึงจะเคยสเสวยดีมาขนาดไหนก็ไม่ได้เดือดร้อนใจไม่ได้ลําบากใจในเรื่องอาหารเพราะว่าอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่ใจว่างั้นนะนีอาหารก็บงังมันอร่อยมากสําหรับบางคนมีเพื่อนคนหนึ่งเคชวนกันมาบวชอยู่ด้วยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งปกติมอยู่ภาคอีสานะนะก็อยู่ภาคกลางโอผ่านไปเดือนหนึ่งบอกมาลากลับบ้านนะครับผมอยู่ไม่ได้แล้วบอกทำไมมันไม่มีข้าวกับปลาให้กินว่างั้น กลับไปกลับกว่ากลับไปฉันปาราตามเดิมดีกว่าเอางั้นทานของหวานหวานหวานมันมันผมฉันไม่ได้เอางั้นกลับไปแล้วนะก็ไปโบกมืออัมลาวัดเลยกลับไปฉันปาราตามเก่าดีกว่าก็คือบางคนนี่ก็เป็นอย่างนั้นเลยก็คือบางคนนี่ไปเจอที่เดือดร้อนเข้าเรียกว่าอะไรไปเจอเข้าวเขาเอาถั่วเหลืองมาทํากะปิเนี่ยนะคดีนันเขาเรียกถันวเน่าคือถั่วกะปิถั่วเหลืองอะไรเรียกอะเรียกถั่วเน่าอีสานได้ภาคเหนือภาคเหนือ นะเข้าเนี้ยกับถั่วเน่านี่ก็อลองดูเถอะใครอยากลดน้ำหนักนะอาทิตย์เดียวนี่ก็ลดได้เยอะเนี่ยนะเชอ <c oughs> อาหารลดน้ำหนักเลยแหละมันก็ไปเจออาหารลักษณะนั้นเข้าถ้าหากว่าคนที่ไม่มีการพิจารณาไม่มีการใครครวญเนี่ยนะมือแรกสองมือเนี่ยมันพอทำใจได้แต่หลายๆมือเข้าไปเนี่ยมันชักหนักใจเหมือนกันนะ <c oughs> ันก็คนที่บวชมาเนี่ยจะได้ประสบพบเจออาหารสารพัดชนิดที่มีอยู่ที่เขาบริโภคกันเนี่ยนะก็ได้ฉันในที่ที่ของมันไม่ผิดพระธรรมวิัยแต่ถ้าไม่มีการพิจารณาจริงๆก็เดรฉ า, านกระถาก็จะตามมาและ น, นะก็ไม่ได้ถือเอาภาระแห่งการบวชเพื่อประพฤติปฏิบัติสมถาวิปัสนาเพื่อนำออกจากทุกข์อะไรหลังจากนั้นพระองค์ก็ให้พระกุมารยินยอมแล้วพระองค์ก็ตรัสว่า่า น, นะก็เลยเกลี้ย ก, กล่อมบอกลูกๆ อาหารอันประณีตเนี่ยนะที่อร่อยอร่อยอยากอย่างที่ลูกอยากได้เนี่ยมีในเมืองเพราะฉะนั้นพวกเราจะไปในพระนครเอาไม้มกลับเมืองเธอลูกไปไปนะไปอยู่เมืองตามเดิมดีกว่าที่นั่นมีอาหารอร่อยมีคนดูแลนะอยากได้ร้อนก็สําเร็จร้อนอยากได้ของเย็นก็จะได้ของเย็นลูกก็จะได้อย่างที่ลูกต้องการปลอบกุมารก็ตกลงว่า ง, งั้ น, นะรักพ่อก็รักนะนะแต่ว่าเจออาหารอย่างนี้หนูสู้ไม่ไหวแล้วพ่อว่า ง, งั้นกลับดีกว่า จากนั้นก็พระองค์ก็นําพระกุมารเสด็จกลับไปตามทางที่เสด็จมาแล้วเอาไปส่งฝ่ายพระเทวีพระมารดาของพระกุมารก็ดําเนินว่าบัดนี้พระราชาพระพระกุมารไปประทับอยู่ในป่าคงไม่นานนักคงจะเสด็จกลับโดยสองสามวันเท่านั้นก็เลยให้ล้อมรั้วในสถานที่พระองค์ขีดด้วยไม้ฐานพระกอนไม้ฐานพระกนก็คือไม้เท้านั่นแหละในวดสมัยก่อนจะมีไม้เท้าไว้อันนึง เหตุผลก็ได้เวลาเดินเนี่ยจะได้วางก ร, กระแทกพื้นเนี่ยตุบตบ ต, บ ต, บตุบไปเนี่ยถามว่าเหตุผลคืออะไร mm hmm. เหตุผลก็คือพวกหนูพวกหนูพวกงูพวกอะไรมันก็จะได้เดินไปไกลเพราะเสียงวางแป๊บพวกนี้มันก็จะหนีไปก่อนไม่งั้นก็จะเป็นอันตรายก็เลยโบราณก็จะมีไม้เท้าทีนี้ใบเท้าบางทีก็เอาซี่เหล็กมาวางไว้ข้างล่างมันจะดังกริ๊กกิกนะเวลาวางดังกริก๊กกริ๊กนะเสียงเหล็กแผ่นเหล็กกระทบกันพวกสัตว์ทั้งหลายก็จะหนีไป ันก็ก่อนที่จะออกจากพระเขตพระราชาอาณาเขตของตัวเองก็เลยขีดรอยเอาไว้ก่อนนี่พระเทวีนี่ก็รู้นะโอยจะพาลูกไปอย่างนี้สองสามวันนี้ก็กลับมาก็เลยรออยู่แถวนั้นครั้งนั้นพระราชาก็ประทับยืนอยู่ในที่ไม่ไกลรั้วนั้นเสร็จแล้วก็ส่งไปว่าแน่พ่อนั่นไงมารดาของเจ้านั่งอยู่ที่นั่นเจ้าจงไป และตนก็ประทับยืนดูอยู่จนกว่าพระกุมานั้นเสด็จไปถึงที่นั้นก็ดำเนิว่าใครใครไม่พึงเบียดเบียนกุมานั้นพระกุมานั้นก็ได้เสด็จไปสู่สำนักของพระมารดาก็บุรุษผู้อารักขาเห็นพระกุมารทั้งหลายแล้วก็ทูลบอกแก่พระเทวีพระเทวีนั้นมีสตรีนักฟ้อนรำเนี่ยนะประมาณสองห0ื่นนางเวดล้อมก็เสด็จไปรับถามเรื่องราวของพระราชา พระกุมารก็บอกว่าจากเสด็จมาในภายหลังก็เลยส่งมนุษย์ทั้งหลายจึงส่งมนุษย์ทั้งหลายฝ่ายพระราชาก็เสด็จไปอยูอ่กลับไปสู่ที่อยู่ของพระองค์ทันทีเนี่ยนะก็กลับไปเนี่ยนะแค่มาส่งลูกเจอแม่ก็พอแล้วกลับไปแล้วมนุษย์ทั้งหลายไม่เห็นพระราชาเสด็จมาแต่นั้นพระเทวีก็ปราศจากความหวังก็แปลว่าผิดหวังเต็มที่หวังว่าพระราชาจะกลับพระองค์ไม่กลับแล้ว ก็เลยพาพระราชรถกลับถึงพระนครอภิเสกพระกุมารนั้นไว้ในราชสมบัติเนี่ยนะโดยที่มีมีใครสำเร็จราชาการก็คือมีแม่สำเร็จราชาการไปนะสเาสเร็จราชสเร็จราชการแทนลูกไปฝ่ายพระราชาเสด็จถึงที่อยู่ของพระองค์แล้วก็ประทับนั่งอยู่ณที่นั้นเจริญวิปัสนาเจริญวิปัสนาพิจารณาอริยสัจทำให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณ ยานที่ตรัสรู้อริยสัจโดยลำพังเฉพาะตัวแล้วก็อุทานอุทานคาถานี้ในถ้ำกลางแห่งท่าประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่โคนต้นไม้รกฟ้าไว้ว่าเอวังทุติเยนะสหามามะสะวาจาพิลาโปอภิสัชนาวาเอตังพยังอายเตงเปกขมาโนเอโกเจเรคะคาวิสานกัปโป แปลว่าการที่เราจะพึงพูดจากกับพระกุมารเป็นที่สองหมายาว่าอยู่กับลูกตัวน้อยจะ ต, ต้องคุยกับลูกน้อยหรือการคล้องอยู่ด้วยอํานาจแห่งความเยื่อใหญ่พึงมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นะก็เมื่อสมมติถ้าเราเลี้ยงลูกใช่ไหยเราเลี้ยงเด็กเราก็จะมีความผูกพันกับกับเด็กที่เราเลี้ยงเนี่ยนะอย่างสมัยก่อนสมัยเด็กๆเรามาเคยเลี้ยงน้องคนหนึ่งเวลาโตขึ้นมาหน่อยนะเวลาเราไปที่อื่น เ, นเห็นเด็กคนไหนเราจะนึกถึงน้องตลอดเลย เพราะว่าเมื่อเร า, เอามีการพูดจามีการพูดคุยมีการเลี้ยงดูไปเวลาเห็นอะไรเราจะนึกถึงเช่นนั้นบันที่เห็นเด็กที่ไหนเราก็สงสารคิดถึงน้องเหมือนกันคิดถึงน้องเออน้องเราจะเป็นยังไงน้องเหมือนกันตั้งหลายปีกว่าจะหายเหมือนกันเ พ, พราะว่าถ้ามีการพูดจาพูดคุยมีการเลี้ยงดูกันก็จะมีความผูกพันเยื่อะใหญ่ก็คือความผูกพันก็เรียกว่าสายใหญ่แห่งความสัมพันธ์มันคิดถึงไปที่ไหนก็คิดถึง บุคคลที่เล็งเห็นภัยนี้ในอนาคตพึ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนเรตในอัธกถาอธิบายว่าการพูดจาของเราให้พระกุมาร น, นั้นยินยอมอยู่กับพระกุมารที่สองนั่นผู้เดียวก่อนหนาวเดี๋ยวก็ร้อ น, อนขอร้องอยู่ด้วยอำนาจแห่งความยื่อใหญ่ พึงมีได้ในการพูดจานั้นเนี่ยนะก็ต้องคอยปลอบอ่ะนะอยู่กับเด็กมันทํำยังไงอ่ะคนที่อยู่กับเด็กมันต้องพูดพอๆกับเด็กนั่นแหละจึงจะอยู่กับเด็กได้แล้วก็ขยนันถ้านั่งนิง่งอยู่กับเด็กเด็กมันจะอยู่ยังไงพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงลูกจะขยันพูดมากขยันบอกขยันแนะนําขยันพูดขยันคุยงั้นสิอย่างงี้สิปลุก ป, ปลอบโอ้ยแนะนําอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ถามไปเรื่อยก็ต้องขยันตอบอ่ะนะเพราะนั้นเมื่ออยู่กับเด็กมันก็มีการเกี่ยวข้องจะต้องมีการพูดจา ถ้าเราไม่สละการพูดจาและการร้องอยู่ที่นี้เสียแต่นั้นการที่เราจะพึงพูดจากับพระกุมารที่สองหรือการข้องอยู่ต่อไปในอนาคตการข้องเนี่ยนะไอความยึดติดความผูกพันความติดข้องใช่แต่จะมีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นตมันก็มีอย่างเงี้ยต่อไปมันก็ข้องกันไปเรื่อยไม่มีจบมีสิ้นเมื่อเล็งเห็นภัยในอนาคตนี้ว่า การพูดจาและข้องอยู่ทั้งสองนั้นเป็นอันตรายต่อการบรรลุคุณวิเศษเพราะพราะถ้าหากว่ามัวแต่การพูดคุยกันเอาคุยกับเด็กคุยอริยศาสตร์รู้เรื่องไวนะ้แล้วคุยอริยศาสตร์นี้ลูกทุกนี้สมุทยัยนี้นีโรดนี้มักนะนี้ควรกําหนดรู้นี้ควรละควรเจริญเนี่ยนะเแบรเบาะขวบสองขวบเนี่ยนะโอ้จะไปรู้เรื่องอะไรเนี่ยนะขนาดคูนสองคูนสามยังไม่เคยจะรู้เรื่องมาขนาดนั้นนะ คูณสิด้วยซ้ําไปก็ยังยากเหมือนกันจะกล่าวไปไอบบ้เบเบาสองสขวบเนี่ยนะนจะคุยกั น, นะอะไรอารยศาสตร์คนไหนเนาเหมือนกันท่านโม่แต่พูดโม่แต่คุยอยู่นั่นแหละก็คุยอะไรก็คุยแต่เพ้อเจอ้อท่านมันก็เป็นอันตรายต่อการนะับบรรลุคุณวิเศษเมื่อไรจะบรรลุเป็นพระปเจดเพราะฉะนั้นจึงทิ้งการพูดการจาการติดข้องนั้นเสียปฏิบัติโดยแยบใครตาม ตามอริยสัจเรียกว่าสัจจานุโลมมิจยานในการพิจารณาเพื่อสอดคล้องต่อการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก็บรุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งภาษาบุตรได้นิเทศไว้ในคัคคาวิสาณนสูตรว่าการพูดด้วยวาจาก็ดีความเกี่ยวข้องก็ดีกับสหายสหายก็คือลูกนะเช่นลูกเป็นต้นพึงมีแกเรา เพราะอะไรเพราะเมื่อมีการพูดมีการจาอยู่นั่นความติดความข้องก็มีบุคคลเมื่อเล็งเห็นภัยนี้ต่อไปในอนาคตพึงเที่ยวไปแต่ผูด้เดียวดุดหนอแรกอธิบายว่าคำว่ากับสหายพึงมีแกเราก็คือก็ด้วยเพื่อนเพื่อนคืออะไรมีอะไรเป็นเพื่อนก่อนคือที่ยังพูดยังคุยเรื่องเพอเจอเรื่องเลวไรเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่กับเด็กเล็กเด็กน้อยเป็นต้นเนี่ยมันจะมีอะไรนอกจากตันหาภายในใจที่มันพาเสียมพาซอน เพราะฉะนั้นตันหานั่นแหละเป็นสหายตันหาเป็นสหายมีอยู่บุคคลเป็นสหายมีอยู่สหายนี่มีนสหายบุคคลกับสหายตันหาเขาว่างันเรียกว่าสหายภายในกับสหายภายนอกอสหายภายในก่อนสหายภายในคือมีตันหาเป็นสหายที่ได้ว่ามีตันหาเป็นสหายเช่นตันหาที่พาชอบในรูปบ้าง เป็นเพื่อนเป็นสหายตัณหาที่พาชอบเสียงพาชอบกลิ่นพาชอบรสพาชอบโพธาะพาชอบอารมณ์ทั้งหลายอันนี้เขาเรียกว่าชื่อว่าตัณหาที่เป็นสหายภายในผู้ใดยังละตัณหานี้ไม่ได้ผู้นั้นเรียกว่ามีตัณหาเป็นสหายเน่นะเพราะฉะนั้นของเราถ้านั่งอยู่20่ก็ต้องคูณสองใช่นั่งอยู่40นะเพราะตัณหาสั20เป็นต้นนะ คูณทวาร6อยู่20คนก็คูณ6กก็ร้อยเนี่ยนะอยู่120ยีมิหน้ามชุลมุนขนาดนี้นะเรื่องมากขนาดนี้ไม่ต้องแกลลใจเราเพราะตันหามากเหลือเกินตามทวารต่างๆนะคนหนึ่งคูณ6คูณ18คูณ108เข้าไปเนี่ยนะถ้าคนละร้อยแปดถ้าอยู่กัน10คนเนี่ยเรื่องมันจะวุ่นวายขนาดไหนนั่นก็เรื่องมากตามจํานวนแต่ตันหาที่เกิดขึ้นอะไรเขารียกว่าไม่เงาล้อนะอยู่กับเพื่อนเหมือนน